เสียงฝนตกกระทบสังกษีก็ให้เตือนใจตัวเองว่าฝนเนี่ยมันกระทบแค่สังกษีนะอย่าให้มันกระทบใจของเราไปด้วยจริงตอนนี้เนี่ยขณะที่ฝนตกเนี่ยแต่ว่าเราทุกคนในนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเปรียบ เพราะมีหลังคาฝนตกเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าตกมาแล้วเนี่ยตัวเราไม่เปียกนะแล้วก็เพราะเรามีหลังคาในท า, ทางเดียวกันนะเหตุร้ายหรือเรียกว่าความทุกข์เนี่ย หลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้มันพ้นวิสัยที่เราจะควบคุมได้แต่เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ควรรักษาใจเราอย่าให้ทุกข์ไปด้วยอันนี้ทำได้นะถ้าใจเรามีธรรมะความทุกข์ที่เกิดขึ้น กับเรามันก็เกิดขึ้นได้กับสิ่งรอบตัวกับทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่กับร่างกายของเราแต่ก็ไม่จำเป็นว่ามันจะทะลุทะลวงเข้ามาถึงใจเราได้เช่นมากอกาตอนนี้ฝนเนี่ยมันตกยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะฝ่า หลังคามากระทบตัวเราให้เปียกได้แต่บางคนนะแม้ตัวไม่เปียกนะแต่ว่าใจเปียกไปแล้วนะใจวิตกกังวลเป็นทุกข์เพราะฝนทั้งๆที่มันไม่ได้กระทบกายสักหน่อยนะแต่ใจก็เปียกเรียบร้อยไปแล้ว อาจจะงุนหงิดว่าฟังไม่ค่อยได้ใจไม่ค่อยได้ยินฟังไม่ชัดเจนนั้นถ้าเรารู้จักรักษาใจให้ดีๆนะความทุกข์เนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดกับทรัพย์สินของเราเกิดกับร่างกายของเราเกิดกับงานการของเราหรือว่าเกิดกับ ผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์กับเรามันก็ไม่สามารถทําให้ใจทุกข์ได้คนเราจะทุกข์เนี่ยก็ทุกข์เพราะสีเรื่องนี้แหละ1ทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายเช่นความเจ็บป่วยนะหรือว่าความสะความสวยภาพลักษณ์หน้าตาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกอันนึงก็ทรัพสมบัติ เงินเดือนหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับงานการรวมทั้งว่ามีงานทำตกงานหรือไม่ด้วยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะหรือว่ายังย่ำอยู่กับที่นะเงินเดือนไม่ขึ้นตำแหน่งไม่ขึ้น อีกอันนึงก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนแต่ไม่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรกับสี่อย่างนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เราทําได้นะคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ให้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายทรัพย์สมบัติงานการและผู้คนที่เราสัมพันธ์ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มันห้ามไม่ได้นะ แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้ควรถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเลยนะมาภาวนาทั้งทีมาปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้พบกับพระธรรมคาสอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําได้เป็นอย่างแรกและควรทําก็คืออะไรเกิดขึ้นกับเราก็อย่าให้ใจทุกข์เวลาเงินหาย ว่าให้มันหายแต่เงินหายแต่โทรศัพท์อย่าให้ใจหายหรือว่าความสุขใจมันหายไปด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเงินหายของหายเนี่ยมันไม่ใช่หายแต่ของใจก็หายใจก็เสียไปด้วยเท่านั้นไม่พอนะพอกินไม่ได้นอนไม่หลับ สุขภาพก็เสียเพราะอารมณ์ไม่ดีทำงานก็ทำไม่ได้เสียงานอีกแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างบางทีเขาก็แซวเราแต่ก่อนเราก็แซวกลับแต่พออารมณ์อารมณ์ไม่ดีเพราะของหายศูนย์เงิน แซวๆมาแล้วก็ด่ากลายเป็นทะเลาะบบาแวงกันเสียความสัมพันธ์อีกแทนที่จะเสียแค่หนึ่งคือเสียของเสียเงินก็อายกันว่าเสียสามเสียสี่คือเสียใจเสียสุขภาพเสียงานแล้วก็เสียความสัมพันธ์บางทีเสียอีกข้อนึ่งคือเสียผู้เสียคน เมือ่อสัสองสามปีก่อนมันมีคลิปวิดีโอนะถ่ายที่ประเทศจีนเป็นกล้องวงจรปิดก็เป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายสองคนก็จะว่าเป็นสามีภรรยาหรือแฟนในคลิปนั้นเขาก็บัญญายว่าผู้หญิงเนี่ยอยากได้ iPhone ในห้างแต่ผู้ชายไม่ยอม ไม่ซื้อให้ผู้หญิงก็ไม่พอใจโกรธแล้วก็หาทางประชดหรือประท้วงเพื่อพยายามเอาชนะกดดันผู้ชายให้ซื้อให้ได้เธอทำอยังไงนะทีแรกก็ถอดเสื้อไม่ได้ผลก็ถอดกางเกงผู้ชายก็ยังนิ่งเธอก็เลยถอดยกทรง แล้วก็ถอยกเก่งๆหน่อยนะยืนโปอยู่งั้นน่ะคท้ายว่าจะทําให้ผู้ชายอับอายหรือเป็นพ่อลืมตัวด้วยความโกรธก็ไม่รู้ผู้ชายก็เดินหนีเธอก็เดินตามตอนนั้นอาจจะไม่รู้เนรูตัวเลยนะว่าเธอได้ทําอะไรลงไปแล้วคงไม่รู้ว่ามีการถ่ายกล้องวงจรปิดยังดีที่มีผู้หญิง คงเป็นอมมา마คนหนึ่งเนี่ยเห็นก็เลยมาหยิบเสื้อให้เธอใส่เตือนให้เธอมีสติก็คงจะได้สตินะก็เลยสวมเสื้อกลับไปเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าแทนที่จะเสียแค่หนึ่งอย่างคือไม่ได้ i ไอโฟนะเสียผู้เสียคนไปด้วยนะเพราะว่าภาพคลิปวีดีโอก็กรจายไปทั่วโลก ให้ความลืมตัวจะเป็นพรความเสียใจหรือว่าความต้องการประชดก็แล้วแต่นะมันก็ทำให้แทนที่จะนอกนอกจากจะไม่ได้ p h o ฟ e แล้วก็ยังเสียอีกหลายอย่างตามอันนี้แล้วว่าไม่รู้จักรากาใจนะเมื่อไม่ได้ของก็อย่างน้อยใจก็ยังเป็นปกติคนเวลาป่วยเนะี่ย ก็ให้มันป่วยแต่กายนะอย่าให้ใจป่วยด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ป่วยกายเสร็จแล้วก็ป่วยใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รักตัวเองนะเพราะว่าซ้ำเติมตัวเองป่วยกายนี่ก็แย่ยพอแรงอยู่แล้วยังซ้ำเติมตัวนนในการป่วยใจคือหงุดหงิดโวยวายตีพอย ต, ตีพายเครียดนะ บางทีไอ้ประการหลังเนี่ยมันมันแย่กว่าความป่วยกายป่วยกายอาจจะไม่เป็นอะไรมากหรือพอจะเยียวยาไหวแต่ถ้าป่วยใจแล้วนี่มันแย่มากทีเดียวนะถึงตายได้อาจารย์ประเวศกสีเคยเล่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะไปตรวจสุขภาพแกก็เป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะเล่นเทนนิสเป็นประจำ อยู่ไว้กลางคนพอไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าแกหัวใจรั่วพอได้ยินแกนก็ตกใจเพราะหัวใจรั่วที่แกวาดภาพเอาไว้คือหัวใจเป็นรูแล้วก็เวลาหัวใจเต้นมันก็มีเลือดพุ่งกระฉูดออกมาแบบนี้ก็ตายสิที่จริงหมอหมอต้องใจจะบอกว่าแกเนี่ยลิ้นหัวใจรั่วแต่หมอพูดไม่ครบพอมูไม่ครบ ก, ก็เข้าใจผิด แล้วแกก็กลัวตื่นตหนกกลับไปบ้านเนี่ยอยู่ได้แค่2วันก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ไม่นานก็เข้าไองียูแล้วก็ไม่ออกมาีกเลยที่จริงลินหัวใจรั่วเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ออกกําลังกายก็ยังออกได้แต่เป็นเพราะความเข้าใจผิดทำให้แกรปรุงแต่งด้วยความตื่นตหนก สุดท้ายก็เลยตายลื่นหัวใจรั่วนี่ไม่ทำให้ถึงตายอย่างนั้นนะแต่ว่าเพราะความทุกข์ใจความกลัวความวิตกกังวลทำให้ตายได้นั่นอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติ <c oughs> เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างแรกที่เราควรทำคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้ทำได้นะอย่าซ้ำเติมตัวเองคนเรามักจะซ้าเติมตัวเอง เวลามีเรื่องอะไรที่ไม่ถูกใจก็แทนที่จะให้มันมันเกิดปัญหาเพียงแค่นั้นก็ปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ด้วยเวลาทำงานก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะแต่ปล่อยให้ใจเหนื่อยตามไปด้วยนี่เพราะพ่อไม่รู้จักรักษาใจ แต่ถ้ารักษาใจดีนะมันเหนื่อยแต่กายใจไม่เหนื่อยมีเมื่อสักเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยมันมีรายการโทรทัศน์ของช่องไทย b ี s ชื่อรายการพลเมืองเด็กแล้วก็เอาเด็กสามคนเนี่ยบางทีก็เป็นเด็กเจ็ดแปดขวบบางบางทีก็เป็นเด็กสิบสองสิบามขวบบ้างมาออกรายการ ถ้าคล้เลย์ตี้โชว์ให้ทำกิจกรรมเลี้ยงม้าบ้างทำความสะอาดห้องบ้างเขาอยากจะรู้ว่าเด็กเขาแก้ไขปัญหาหรือทำงานร่วมกันอย่างไรคราวหนึ่งนะก็เอาเด็กอายุสิบสองสิบสามขวบสามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมเนื้อก็คือคนของคือรถไฟรถไฟมีเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉะนันต้องรีบขน แต่ปวกติว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอเนี่ยขึ้นชกนะสมจิตนี่เป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกการถ่ายทอดอาการชกพนนันมีการถ่ายทอดสดด้วยเด็กสองคนเนี่ยขนของไปได้สักพักก็แว บ, บไปดูโทรทัศน์ไปดูชกมวยก็ทิ้งให้เพื่อนผู้หญิงขนของเธอก็ขนของอย่างตั้งใจนะพิธีกรก็เลย ไปถามว่าคิดยังไรที่เพื่อนเข า, าทิ้งงานไปดูสมจิตโ จ, จงจงจอหอหขึ้นชกเธอก็บอกว่าก็เห็นใจเา้าเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนสมจิตนานๆจะได้ดูสมจิตชกมวยแต่เธอไม่สนใจมวยเธอก็ทางานเธอไปพิธีกรก็เลยถามแยกว่าแล้วเธอไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเพื่อนเหรือที่เขาทิ้งงานให้เธอทาคนเดียว นะถ้าเธอตอบดีเธอตอบว่าหนูขนของคือลรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกวดไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็หนะเกาานะหนื่อยสองอย่างนะเด็กฉลาดเนี่ยถ้าจะเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เหนื่อยกายแต่ก็คนะอยให้ใจเหนื่อยด้วยใจเหนื่อยด้วยการบน่นว้อยวายตีโพยตีพายถามตัวเราเองว่าเวลาเราทางานเนี่ย เราเหนื่อยแต่กายหรือเราไปให้ใจเหนื่อยด้วยนวคอยไปดูเพื่อนว่าเขาเพื่อนเขาทำงานน้อยกว่าเราบ้างนะเพื่อนเขาอู่งานบ้างเพื่อนเขาทิ้งงานให้เราทำคนเดียวบ้างเนะี่ยในใจที่ไปจดจ่ออยู่กับพฤติกรรมของคนรอบตัวคนรอบข้างนะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ใจเราทุกข์ได้ที่ทำงา้นเพราะใจไม่มีสติใจไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับงานนะ ไปคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไปดูเพื่อนรวมงานมอกงไปดูรูปน้องมัง่งก็เลยเป็นทุกข์นะถ้าใจมีสตินะมันรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้เวลารถติดนะ่ะมันก็แค่เสียเวลาแต่ว่าไม่เสียอารมณ์แต่ถ้าไม่มีสตินะก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์หรืออาจจะเสียสติด้วย าการเจริญสติมันช่วยเราช่วยให้รักษาใจไม่เป็นทุกข์ได้ตอนนี้นอกจากรักษาใจไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยเราทําได้ดีกว่านั้นนะก็คือหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากเหตุร้ายหาประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยแม้จะไม่พึงประสงค์ไม่พึงปรารถนาแต่ก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักมอง ของหายมันก็เป็นการฝึกใจเราให้รู้จักปล่อยวางก็ได้นะหรือเตือนใจให้เราไม่ประมาทเตือนใจให้เราระมัดระวังหรือสอนเราว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่สอนได้เจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยก็มาสอนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขาร ลือดจะเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมีหนุ่มคนนึงนะเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นปรากฏว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือคีเมียที่แรกก็ทุกข์นะแต่ต่อหลังก็ใจก็กลับมาเป็นปกติแกก็บอกว่าเนี่ยมะเร็งเนี่ยทำให้แกได้พบสิ่งดีๆหลายอย่างเช่นทําให้ได้รู้จักธรรมะ แต่ก่อนไม่สนใจธรรมะเลยนะแต่พอป่วยไม่มีอะไรทํามีคนเอาหนันงสือธรรมะมาให้ได้อ่านก็พบว่าพุทธศาสนานี่สอนไม่ดีมากแต่ก่อนนอกพุทธศาสนาเป็นเรื่องงมงายแต่ตอนนี้เข้าใจเห็นคุณค่าของพุทธศาสนานสองทำให้ได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ไอตอนแม่ป่วยเนี่ยก็ห่างเหินนะธรรมดาคนกรุงเทพเนี่ยลูกกับพ่อแม่ก็ห่างเหิน เช้าลูกไปทำงานอาเช้าลูกไปเรียนพ่อไปทำงานยิ่งลูกไปอยู่หอพักด้วยนี่ยิ่งเินห่างแต่พอลูกป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็มาช่วยดูแลได้ใกล้ชิดกันก็ได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ข้อต่อมาคือว่าทำให้รู้จักคิดนะทำให้มีโอกาสได้หยุดคิดแต่ก่อนนี่ก็เที่ยวอย่างเดียวเลย ไม่ค่อยได้มีเวลาหยุดคิดเท่าไหร่แกบอกว่านี่ถ้าแกไม่ป่วยเป็นมะเร็งนะก็คงเหมือนกัเด็กทั่วไปคือนอนหอพักกว่าจะเข้านอนก็ตีสามตื่นมาก็เที่ยงก็รอเพื่อนชวนไปกินทเที่ยวไปเฮฮาเรียนก็ไม่ค่อยเรียนนะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะไม่ได้ถึงคนอื่นนะไม่รู้จักสนใจ เอาแต่ใจตัวเองแต่พอเป็นมะเร็งนี่มันได้คิดมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นได้เข้าใจนธรรมะมากขึ้นมีคนหลายคนนะที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าความทุกข์มันสอนเขาทำให้เขาได้เห็นประโยชน์ของความทุกข์มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเป็นโรค ก, กรามเนื้ออ่อนแรง แล้วก็เป็นเป็นโรคที่หายากการเมื่ออ่อนแรงที่ปลายประสาทเป็นตอนเรียนมัธยมทำให้ไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้แต่ก่อนพ่อนี่ต้องอุ้มต้องให้ขี่คอขึ้นไปเรียนหนังสือแต่ตอนหลังพ่อไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่ไหวตัวเธอก็หนักนะก็เลยต้องเลิกเรียน ระหว่างที่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยชีวิตก็เหมือนกับ น, นอนรอความตายเพราะว่ากลา้ามเนึ้ออ่อนแรงนี่มันจะลามไปเรื่อยๆไม่มียารักษาเธอก็นอนรอวันตายขยับขยื่ยนก็ไม่ได้พูดคุยก็ลำบากแต่วันหนึ่งมีคนมียายเนี่ยอ่านนิยายให้ฟังเธอก็เกิดความเพลิดเพลินในนิยายแล้วกเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะ เรานะ่าจะแต่งนิยายได้เหมือนกันนะแล้วเธอก็เริ่มแต่งนิยายโดยใช้คอมพิวเตอร์แต่ที่จริงคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธรรมดามันเป็นแท็บเล็ตตอนหลังก็ใช้โทรศัพท์ ม, มือถือพิมพ์นะเขียนนิยายมือเธอเนี่ยจิ้มแบบนี้ไม่ได้นะเธอต้องจิ้มแบบเนี้ยคือนิ้วที่มันงองหมดเลย เวลาจิ้นเนี่ยต้องใช้เนี่ยงอนิ้วเนี่ยกดไปที่แป้นทีละตัวทีละตัวกว่าจะได้ประโยชน์หนึ่งนี่ก็ใช้เวลากว่าจะเขียนเป็นเล่มนี่ก็นานปรากฏว่านิยายเธอมีคนสนใจขายได้ค่าลิขสิทธิ์ก็ได้เงินเนี่ยมาเลี้ยงจุนเจอครอบครัวจากคนที่เป็นภาระของครอบครัวนะ กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะว่าเมื่อพ่อตายเนี่ยที่บ้านก็รายได้ลดลงแถมแม่นี่ก็ตกงานอีกน้องสาวก็ต้องเรียนหนังสือก็อาศัยรายได้จากนิยายในยที่เธอเขียนนี่แหละเลี้ยงครอบครัวส่งน้องไปเรียนนะไม่น่าเชื่อนะคนที่เป็นภาระเคยเป็นภาระของครอบครัวนี่กลายเป็นเสาหลัก เธอเขียนนิยายมาสิบสี่เล่มแล้วนอนอยู่บนเตียงนี่นะเธอพูดถึงเชื่ อ, องเธอไว้น่าสนใจเธอบอกว่าความทุกข์นี่มันเดียวความสุขนะความทุกข์นี่มันให้อะไรกับเธอมากวาความสุขความสุขมันทําให้จิตใจร่องลอยคุ้งกระจายแต่ความทุกข์มันทําให้เธอได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้อยู่ความเป็นจริงซึ่งมันเดียวความสุขมากเลยอืคน คนที่นอนรอวันตายนะแต่ว่าสามารถจะเห็นประโยชน์ของความทุกข์นี่ก็ต้องถือว่าน่ายกย่องนะเป็นคนที่นอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทุกแต่กายแล้วเนี่ยก็ยังหาประโยชน์หรือเห็นประโยชน์จากความทุกข์ทางกายด้วยว่ามันดีกว่าความสุขยังไงบ้างมีคนก็น่าทึ่งนะ ตอนที่เธอยังเป็นนักศึกษานี่เธอสวยเป็นดาวมหาวิทยาลัยตอนปี3และตอนปี4ีเนี่เธอก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านโซเชียลมีเดียสมัยนั้นยังไม่มี Facebook นะ ม, มีมั้งแต่ไม่แพร่หลายประมาณสักปี5 2สองไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตก็ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งผู้ชายเนี่ยเกิด หลงรักเธอกน็นัดพบการนัดคุยกันผู้ชายเนี่ยพอได้คุยได้พบกับเธอก็พบว่าเธอไม่ได้มีใจให้กับเขาในลักษณะนั้นผู้ชายก็โกรธหาว่าเธอโกหกหลอกลวงเอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเสียโฉมตาบอดไปข้างหนึ่งคนที่เคยภูมิใจกับรูปร่างหน้าตา ของตัวเนี่ยเจอแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากอยู่แต่เธอก็ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่านึกถึงแม่แต่ขอร้องแม่ว่าขอย้ายบ้านได้ไหมอายอายที่จะเห็นคนที่เคยเห็นที่เคยเห็นเธอในหน้าตาที่สะสวยตอนนี้เสียโฉมไปแล้วเธออายที่เจอคนเหล่านั้น ที่จริงไม่น่าอายนะเพราะเธอก็ไม่ได้ทำผิดอะไรก็ผ่านไปหลายปีปรากฏว่าเธอก็ทำใจได้ยอมรับนะยอมรับหน้าตาของตัวก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไปเป็นพนักงาน call center ก็นั่งรถไฟฟ้า นอรถไฟฟ้านีคนก็เยอะแยะนะเธอก็ไม่ได้รู้สึกอายอะไรแล้วก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาของตัวมีคนมาพักว่านะคุณชื่อเคชใช่ไหมคือเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ยิ้มรับนะอย่างหน้าชื่นตาบานถูกต้องแล้วค่ะไม่ได้อับอายอเลยเลยมีคนถามเธอว่าเนี่ยโกรธผู้ชายคนนั้นไหมคนที่สาดน้ำกรดใส่หน้าเธอแต่บอกเธอไม่โกรธเลย อยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำํำอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้นะํานะเพราะเธอบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเธอมันทําให้เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นข้อแรกเนี่ยมันทําให้เธอเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่ได้มากขึ้นเพราะถ้าเธอยังสาวยังสวยก็คงจะหลงไปกับแสงสีไม่เค่อยได้อยู่บ้านแต่ที่สำคัญคือมันทําให้เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เธอบอกว่าแต่ก่อนเธอเป็นคนที่มีความยึดติดถือมั่นมากทําอะไรก็ยึดติดถือมัน่นใครพูดอะไรก็ไม่พอใจแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี่มันทําให้เธอได้เห็นเลยนะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันหมดอายุหน้าตาของเธอเนี่ยนะเมื่อแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปจากการที่ถูกน้ํากรดสาดเนี่ยเสียโฉมเนี่ยมันทําให้ เธอได้เรียนรู้การปล่อยวางนะคือไม่ต้องรอปล่อยวางก่อนแกนะมาปล่อยวางัตอนสาวๆเลยเธอบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครจะพูดอะไรนะเธอก็ไม่ได้โกรธอะไรเลยเพราะเธอปล่อยวางแล้วได้เรียนรู้การปล่อยวางจากการที่เสียโฉมอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นะแทนที่จะปล่อยให้ทุกข์เนี่ยมันซ้ำเติมย่ำยี เธอนอกจากเราสาใจไม่ให้ทุกข์ก้วยังใช้ประโยชน์จากมันทำให้ได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่สอนให้เราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปให้เราลองนะพิจารณาดูนะว่าทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นที่จริงนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นนักชวยโอกาสด้วย จอโอกาสจากทุกอย่างทุกเหตุการณ์หาประโยชน์จากมันให้ได้เนี่ยมาพรนะทั้งทีเนี่ยนะให้เตือนใจเราอยู่เสมอว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่างน้อยก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์และข้อที่สองก็คือว่าหาประโยชน์จากมันให้ได้ชาญโยพุทธธร่ม น, นี้น ะ, ะครับ